พุทนี่เราหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปรียบได้เหมือนกับดอกบัวที่บานแล้วบานก็เพราะว่าได้รับแสงแดดชาพุดเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เพราะว่าได้รับธรรมะที่แรกก็เป็นธรรมะจากภายนอกที่เราเรียกว่าปรโตโคสะ เสียงจากภายนอกก็คือธรรมะจากพระพุทธเจ้าธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือว่าธรรมะจากหนังสือจากตำราจากพระไตรปิฎกแต่ว่าธรรมะเหล่านี้ภายหลังก็ได้ปลุกธาตุรู้ในตัวเราให้ตื่นขึ้นหรือว่ากลายมาเป็นธรรมะภายในใจนธรรมะภายในใจนี่แหละที่จะทําให้เกิดการตื่นแล้วกลายเป็นผู้รู้ ผูบ้บานขึ้นมนุษย์เรานี่เปรียบไปแล้วก็มีกระดอกบัวนะมีทั้งดอกบัวที่อยู่ในน้ําดอกบัวที่อยู่ปริมน้ําแล้วก็ดอกบัวที่อยู่พ้นน้ําและที่พ้นน้ําแล้วนี้ก็ยังมีดอกบัวที่บานออกมาแจ่มแจ้งเราพิจารณาดอกบัวในสระดอกบัวในสระนี่เรียกว่าเป็น เป็นครูที่สอนธรรมะเราเมื่อดอกบัวบานก็ความสว่างความแจ่มแจ้งก็เกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นผู้เห็นเวลาเห็นดอกบัวบานแล้วก็ใจก็สบายใจเราก็พลอยบานไปด้วยเบิกบานไปด้วยดอกบัวนี่ที่บานแล้วนี่ถือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชาวพุทธหรือว่าเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเลยก็ได้ชาวพุทธเรา นิยมดอกบัวก็เพราะมีความหมายในทางธรรมะดอกบัวเกิดอยู่ในน้ําแต่ว่าก็เติบโตแล้วก็เจริญจนพ้นน้ําแล้วก็เบ่งบานขึ้นมาได้ก็เหมือนกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละอยู่ในโลกอยู่ในโลกอยู่ท่ามกลางโลกแต่ว่า ก็สามารถจะยกจิตขึ้นมาเหนือโลกได้ไม่ได้หนีโลกนะชาวพุทธเราอยู่ในโลกตัวอยู่บนโลกตัวอยู่ในโลกนะแต่ใจนี่เหนือโลกแล้วโลกในที่นี้นะจะเรียกว่าหมายถึงโลกกัตธรรมก็ได้โลกกัตธรรมก็คือการมีลาบเสื่อมลาบการมียศเสื่อมยศการมี การได้รับสารเสริญและการถูกนินทาแล้วก็สุขทุกข์อย่างสามัญอย่างโลกโลกนี่แหละแล้วคนสนใจก็ถูกโลกกระทำกระทาเมาเวลาได้ยศก็ดีใจเวลาเสื่อมยศก็เสียใจเวลาได้ทรัพย์ก็ปลืม้มจะลืมตัวเวลาเสียทรัพย์ก็ตีอกชกหัวจนจนเรียกว่าลืมตัวเหมือนกัน เนี่ยคนเราส่วนใหญ่ก็ถูกโลกธรรมกระ ท, า, ระทาเอาเรียกว่าตกเป็นทาสของโลกธรรมยอมตายก็เพื่อโลกกระมยอมตายเพื่อให้ได้เงินได้ทองมายอมตายเพื่อจะให้ได้ชื่อเสียงมาหรือว่าเพื่อจะไม่ให้ใครมาลบหลู่ดูถูกเพียงแค่วัยรุ่นนี่เห็นหน้ากันมองหน้ากันก็ฆ่ากันได้แต่ไม่เคยยอมตายเพื่อพ่อเพื่อแม่ ไม่เคยยอมตายเพื่อชาติแต่มาตายเพียงเพราะว่ามันมามองหน้ากูอันนี้แหละมันเป็นเรื่องของโลกธรรมเหมือนกันคือเรื่องของหน้าตาหน้าตานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยศเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงนี่<ใ>นอยู่ในฝ่ายนี้แหละได้ยศเสื่อมยศถ้ามองหน้าแล้วไม่ทำอะไรถือว่าเสียยศเสื่อมยศทนไม่ได้ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง นี่คนเราเป็นทาตของโลกธรรมตายเพื่อโลกธรรมได้แต่สิ่งที่มีสาระมีค่ากว่านั้นคือธรรมะนี่ไม่ยอมตายหรืออย่างแข่งกีฬาเงี้ยโอ้ดูเขาฝึกเขาซ้อมกันแล้วโอ้เอาทุ่มเททั้งชีวิตเลยโดยเฉพาะกีฬาบางประเภทเนะเช่นยิมนาสติกเนี่ยยิมนาสติกก็คือที่ ออกลวดลายอยู่บนอ่านบางอยู่บนห่วงบางเงี้ยฝึกกันตั้งแต่เล็กสี่ขวบห้าขวบทุ่มเทกันเรียนกันฝึกกันวันละหลายชั่วโมงนานเยอะยิ่งกว่านักปฏิบัติธรรมอีกนักปฏิบัติธรรมบางทีเราฝึกกันไม่อืดไม่นานนะเท่ากับพวกที่เรียนหรือฝึกยิมนาสติก โดยเฉพาะอย่างประเทศจีนนี่เอามาฝึกกันตั้งแต่3ขวบ4ขวบเอามาดัดเอามาดัดมือดัดขาดัดตัวฝึกกันตั้งแต่8โมงเช้าถึงเย็นนะเรานักปฏิบัติธรรมยังไม่ได้ฝึกกันขนาดนั้นก็ฝึกไปททำไมฝึกเพื่อได้ไปส่งเข้าโอลิมปิกอีลาโอลิมปิกนะอย่าง2ปีหน้านี้จีนจะเป็นเจ้าภาพก็เลยฝึกกันได้เข้าโอลิมปิกทาไมก็เพื่อจะได้เหรียญทอง ทุ่มเททั้งชีวิเพื่อจได้เหรียญทองได้แล้วมันไม่ทุกหรือเปล่าคนที่ได้แล้วก็ก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีใจตอนแรกๆแต่ก็ยังทุกข์ได้แล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่าก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้แล้วนี่ไม่มีความพัดภาคสูญเสียหรือเปล่ามันก็ต้องเจอความพัดภาคสูญเสียแต่ก็ยังทุ่มเททั้งชีวิเพื่อจะได้มันมา แตเรื่องธรรมะนี่ไม่ค่อยทุ่มเทกันเท่าไหร่ในสิ่งที่มีคุณค่ามีสารลากหวานนั้นไม่เอาอะคนเราก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เพราะอะไรก็พ่อะโลกธรรมแต่ชาวพุทธเรานะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเปรียตส ม, มัยก็ดอกบัวที่อยู่ในน้ําแต่ว่าก็เจริญเตบิตบโตพ้นน้ําขึ้นมาแล้วก็เบ่งบานนี่เป็นธรรมชาติของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ดอกบัวนี้เกิดจากโครนตมนะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามโปนกับปลายนี่ต่างกันเยอะเลยโปนนี่อยู่กับโครนโปนนี่อยู่กับโครนแต่ว่าปลายนี้เป็นดอกบัวที่สว่างงดงามหมดจดใครเห็นก็ชื่นชมนี่ชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้คือเราเกิดมาท่ามกลางความทุกข์ อาจจะเกิดมาต้ามกลางกองกิเลสแต่ว่าสุดท้ายในเบื้องปลายก็หมดจดผุดพองงดงามแล้วลองดูสิดอกบัวนี่โคนกับปลายนี่ต่างกันเยอะเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยโคนนี่อยู่กับตรงโคลนแต่ปลายนี่เนี่ยสว่างสวยัยชาวผู้เราต้องเป็นอย่างนี้เราจะเกิดมายังไงก็แล้วแต่ เราจะอยู่ท่ามกลางกองทุกอย่างไงก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายใจเราเบิกบานใจเราเป็นสระโรงโล ง, โลงไม่มีอะไรที่จะมาทำให้หัวหมองได้สดใสบางทีก็เปรียบชาวพูดเหมือนกับใบบัวนะใบบัวนี่เป็นยังไงน้ำหรือฝนหยดลงมาก็ไม่ติดไม่เปื้อนใบบัว หมายถึงอะไรหมายถึงว่ากิเลสนีนะ้ไม่สามารถที่จะยอมติดฉาบทาจิตใจของผู้ที่รู้ตื่นและก็เบิกบานได้ไม่ใช่แค่กิเลสอย่างเดียวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่สามารถที่จะมาติดตรึงจิตใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แม้จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจที่ดีที่ปัณณ์ที่วิเศษก็ตามคนเรานี่ เวลาเห็นรูปรูปหน้าเกียร์ก็ตามรูปที่สวยงามก็ตามบางที่มันติดตรึงใจบางทีได้คำพูดบางคำนี่มันตรึงใจมันติดใจอาจจะเป็นคำด่าก็ได้ด่าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซืนยังติดใจอยู่เลยหรือคำชมนี่ชมไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ยังติดตรึงใจอันนี้นี่ ไม่เหมือนกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานคือได้ยินอะไรก็ตามได้เห็นอะไรก็ตามก็สักแต่ว่ารู้ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงรู้เห็นได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าเห็นคือปล่อยก็เหมือนกับหยดน้ำลงบนใบบัวไม่ติด่ะมันก็ไหลออกไปไหลลงน้ำไหลลงสาบไปไม่ติดไม่ยอมหลวงพ่อเทียมทีก็เปลี่ยน ม, มันก็ว่าเอาดินทรายเนี่ยกว้างไปที่ข้างฝามันก็ไม่ติด แต่คนธรรมดานี่เปี่ยบเหมือนกับเอาดินโคลนดินเหนียวคว้างไปที่ข้างฝามันก็ติดคือเวลาเกิดถัดสะขึ้นมามันติดไปที่ใจเลยเก็บเอาไปปรุงแต่งต่อไปนี่นี่คือสภาพจิตของคนที่ยังไม่ตื่นด้วยธรรมะแต่ถ้าตื่นด้วยธรรมะแล้วมันหลุดเลยเมือนไม่ติดข้างฝาน้านี่ก็ไม่ติดใบบัว ไม่ลองทำให้ได้อย่างนั้นฝึกใจให้ได้อย่างนั้นโลกธรรมไม่สามารถจะจับต้องได้หมายถึงไม่สามารถที่จะมาติดตรึงจิตใจได้ที่เราทำได้ก็เพราะมีธรรมะไม่ใช่แค่ฟังแต่ว่าเอาธรรมะไปไว้ในใจเลยที่่ามีธรรมะในใจแลวนี่ความไม่ใช่แต่โลกธรรมทำอะไรแล้วไม่ได้นะความพลดัพลดพรากสูญเสียก็ทาอะไรไม่ได้ สภาวาะชนนี้ใครเกิดขึ้นกับใครก็จะมีความสุขอิสะระโปร่งโลง่งมีความสุขอยู่ภายในไม่ว่าจะข้างนอกหรือว่าคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรจะประสบกับความพัดภาคสูญเสียอย่างไรก็ทําอะไรไม่ได้สภาวาะเชนนี้ไม่ใช่เหมาะกับพระอย่างเดียวนะบางคนก็บอกว่าโอ้สภาวะเหนือโลก หรืที่ยโลกุตรัธรรมเนี่ยเหมือนกับดอกบัวที่อยู่เหนือนเหนือน้ำอะจิตใจที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกธรรมนี่แหละที่เขาเรียกโลกุตรัธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของคนที่อยู่วัดที่จริงมันเป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะญาติโยมนี่แหละนะต้องเจอการกระทบกระทั่งเยอะเมื่อคนอยู่กลางแดดญาติโยมเนี่ยชีวิตเขาหรื่ามันก็อยู่กลางแดดมันต้องมีล่ม คอยกันแดดนะลมที่กันแดดคือธรรมะโลกุตตรธรรมต้องอยู่เหนือโลกให้ได้คารวะนี่แหละเพราะไม่งั้นก็จะถูกโลกกระมและความเป็นอนิจจังมันกระทําย่ำยีจนเจียนตายจนกระอักเลือดนะเพราะว่าอยู่กับความ ผ, ล ผ, ลผันผวนปนแปร อ, อยู่กับโลกไม่เหมือนพระอยู่ในวัดไม่ค่อยได้เจอการกระทบกระทั่ง อยู่ในกุติคนเดียวก็ได้แต่คารวะผู้คองเรือนทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำมาหากินต้องมีครอบครัวต้องมีลกูกต้องมีพิษสหายเจอแรงกระทบกระทั่งหรือว่าเจอความพลัดพรากลูกตายผัวตายเมียตายถ้าไม่มีใจถ้าไม่รู้จักทำใจให้อยู่เหนือโลกบ้างให้อยู่เหนือทุกข์บ้างก็จะเอาตัวไม่รอดนี่นพญานุเครห์คาวาก็ต้องมีนะต้องไปให้ถึง ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของชาวพุทธคนรวมทั้งคารุษฮัตคาวาสและถ้ามีละใจก็จะเป็นสุขมีความพัดภาคสูญเสียยังไงก็รักษาใจเป็นปกติได้ถ้าเป็นชาวนาก็ทําได้เป็นชาวไร่ก็ทําได้เป็นคนสวนก็ทําได้อย่างในชาตดกมีครอบครัวหนึ่งมีพ่อมีแม่มี ลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็ลูกสาวแล้วก็มีคนใช้อีกนะรวมทั้งหมดก็หกคนเป็นครอบครัวชาวนาทุกเช้านะพ่อลูกชายแล้วก็ลูกสาวก็จะไปทำนาแต่เช้าเลยอันนี้พวกเราชาวบ้านรู้ดีต้องไปแต่เช้าเสร็จแล้วตอนเที่ยงก็จะให้ลูกสาวนี่มารับข้าว จากบ้านเอาไปกินกันที่นาแล้วก็เช้าวันหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกชายโดนงูกัดตายพ่อกับลูกสาวรู้เข้าก็ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วก็เอาศพมาตั้งไว้บนบนลานเตรียมที่จะทำชา ป, ปนากิจคือเผาไม่ได้เสียใจอะไรแม้ว่าจะรักลูกแต่ไม่ได้เสียใจเมื่อลูกต้องตาย พอก็ให้ลูกสาวกลับมาบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าเอาข้าวมาพอกินพอสองคนเท่านั้นนะไม่ต้องสามคนเหมือนเมื่อก่อนแม่ได้ญินก็ถามว่าสงสัยแล้วเอลูกเป็นอะไรลูกชายตายหรือเปล่าลูกสาวบอกลูกชายถูกงู ก, กัดตายแม่ฟังก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจก็บอกให้ลูกสบัยบอกคนใช้เอาเดี๋ยวเตรียมห่อข้าวกันไป ไปที่นาไปถึงก็ทำศพเผาไม่ได้มีความเสียอกเสียใจอะไรก็ระหว่างนั้นก็มีคนเดินผ่านมาเป็นคนแก่เห็นเผาศพแต่ว่าคนที่ยังอยู่นั้นไม่ได้เศร้าโศกเสียใจหรือร้องไห้อะไรก็แปลกใจถามว่าคนที่ตายนี่เป็นใครก็ได้คำตอบว่า ก็เป็นลูกลูกชายตายไอ้ลูกชายตายทำไมไม่ไม่ร้องไห้พ่อก็บอกว่าคนตายนี่ก็เหมือนกับงูลอกคราบร่างกายใช้ไม่ได้แล้วมันก็ตายเมื่อตายแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าญาติพี่น้องจะคร่ำครวญร้องไห้เสียใจ ย, ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ร้องไห้เพราะมายังไงเขาก็ไปอย่างนั้นส่วนแม่ ก็บอกว่าเมื่อตอนที่เขาเกิดเราก็ไม่ได้เชิญเข้ามาเวลาเขาไปก็ไม่ได้ขออนุญาตเราเพรามาอย่างไงเขาก็ไปอย่างนั้นเราก็เลยไม่เสียใจเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราคลั่ควรเสียใจเขาแค่ไหนก็ไม่รู้จะร้องไห้คลั่งควรไปทาไมลูกสาวก็บอกว่าร้องไห้ไปร่างกายก็ผายผอม ญาติมิคงไม่พอใจไม่สบายใจถ้าเราจะไผ่ร่างกายเราจะไผ่พร้อมคือร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะมายัางไงเขาก็ไปอย่างนั้นเราก็เลยไม่ได้ร้องไห้เสียใจนี่สามคนแล้วนะตอนนี้เมียล่ะเมียก็บอกว่าการที่จะร้องไห้ถึงคนตายก็เหมือนกับทาลกอยากได้พระจันทร์ยังไงก็ไม่มีทางได้มาไม่มีประโยชน์ป่วยการนะเราก็เลย ไม่ได้ร้องไห้คล่ำครวญแล้วคนใช้แหละคนใช้นี่เขาก็ฉลาดเป็นกันนะ mm. เ็าบอกว่าหม่อนน้ำที่แตกไปแล้วเนี่ยมันจะเอามาประสานติดกันดังเดิมก็ไม่ได้ mm. การที่จะร้องไห้ถึงคนตายร้องเท่าไหร่ mm. เขาก็ไม่สามารถจะฟื้นขึ้นมาได้ mm. เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะร้องไห้ไปทำไม mm. นี่เป็นครอบครัว ช, ชาวนาธรรมดาแท้ๆแต่ว่ามีปัญญาเห็นธรรมะ นะเข้าใจก็เลยไม่ทุกยอมรับความตายได้ยอมรับความพลัดพรากได้นี่แหละที่เราว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคืออยู่เหนือโลกธรรมอยู่ท่ามกลางความทุกข์ความพลัดพรากสูญเสียแต่ว่าความทุกข์ทำอะไรไม่ได้ความพลัดพรากสูญเสียทำอะไรไม่ได้จิตใจเป็นอิสระเหนือทุกเนะี่ยอันนี้เรียกว่าเหนือโลกแหละเรียกว่าเข้าถึงโล ก, กุตตรธรรม อย่างนี้นี่มันเป็นประโยชน์ไหมจาเป็นไหมสําหรับคาราว่าสําหรับคฤหาตก็จําเป็นนะมันมีค่ายิ่งกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองซะอีกพอมีทรัพย์สินเงินทองมันก็หนีไม่พ้นความพลัดพรากสูญเสียต้องคอยลวังหาคนมาเฝ้าเพื่อไม่ให้ใครมาขาโมยมีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งคืนอย่างที่เขาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งแค่นั้นแหละสะดุ้งทั้งคืนเลยกลัวคนขโมย อันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการมีจิตใจอิสระอยู่เหนือโลกคืออันนี้จริงเรื่องความตายนี่ก็เป็นเรื่องที่คนเราก็รู้จักกันรู้ดีว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่ก็ทำใจไม่ได้เพราะความยึดมั่นถิมมั่นรู้นะรู้ที่สมองแต่ไม่ได้รู้ที่ใจเพราะใจนี่ยังไปยึดติดถือมั่นเวลาบางทีก็สอนคนได้ว่าเสียใจทาไม เขาตายไปแล้วเสียใจทำไมแต่ว่าตัวเองทำใจไม่ได้อย่างมีพระราชานี่เสียลูกไปร้องไห้คร่ำครวญจนกระทั่งไม่เป็นอันว่าราชการเสนาบาดีเสนาบาดีก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งก็ทำเป็นร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งรู้ไปถึงพระราชา พระราชาก็สงสัยว่าเป็นอะไรเออถึงร้องให้เสียใจเสนาบดีก็บอกว่าอยากได้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อยากจะได้แต่ว่าร้องเท่าไหร่มันยังไงก็ไม่ได้พระราชาได้ญินก็หันเราบอกว่าเจ้าโง่เอ้ยนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เอามาได้ยังไงร้องเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มาหรอกเสนาบดีก็เลยได้ทีก็เลยบอกว่า ไอดวงอาทิดวงจันนี่มันยังเห็นเป็นรูปเป็นล่างนะแต่ว่าลูกของท่านน่ะตายไปแล้วไม่เหลือแม้กระทั่งซากเผาไปแล้วแล้วจะไปร้องเรียกให้กลับมาได้ยังไงใครที่สิ้นคิดกว่ากันข้าพเจ้าเรียกหาดวงอาทิตย์มันยังเห็นอยู่เห็นอยู่กับตาแต่ลูกของท่านไม่เหลือแล้วใครกันแน่ที่โง่กว่ากัน พระราชาดีทั้งนี้ก็สะดุ้งก็ได้คิดขึ้นมาเออจริงนะเออเราเห็นคนอืงง่นโง่แต่ว่าเราไม่ได้ดูตัวเราเองอเรื่องนี้ก็ ค, คล้ายๆอีกเรื่องหนึ่งนะก็มีอยู่ในชาดกอยู่ในพระไตรปิฎกชายคนหนึ่งเสียพ่อไปเสียพ่อไปก็โอ้ยเศร้าใจ <c oughs> เสียใจเผาแล้วก็ยังเสียใจซึมลูกชายก็รู้สึกว่าเออไม่ได้การแล้ว วันหนึ่งก็ปรากว่ามีวัวตายวัวตายแกก็เอาหญ้าไปเกี่ยวแล้วเอามาให้หวัวไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่ตายแล้วนะลูกชายพ่อเห็นก็บอกว่าวัวมันตายแล้วจะเกี่ยวไปทำไมไม่ใช่่าเกี่ยวไปให้มันมันจะกินได้ที่ไหนมันตายไปแล้วมันไม่มีทางฟื้นแล้วโ ง, ง่จริงๆลูกชายก็เลยบอกว่านี่วัวนี่มันยังมีตัวมีขามี มีหัวแต่ว่าปู่เนี่ยตายไปแล้วไม่เหลือร่างแล้วแล้วพ่อยังร้องไห้คำควรจะให้เขาฟื้นมาคลายกันที่สิ้นคิดมากกว่ากันเกี่ยวย้าให้วัวมันยังมีตัวมีตนพอยังมีหวังว่าจะฟื้นขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าปู่ที่ตายไปแล้วนี่ไม่มีหวังแล้วไม่เหลือร่างแล้วออกก็ได้คิดโออใช่ เราไปว่ารู้วังโง่เกี่ยวหญ้าให้วัวกินไม่ได้ดูตัวเราเองแล้วว่าเรานี่โง่กว่าอีกนี่คนเราก็เป็นอย่างนี้นะคือสอนคนอื่นได้รู้ว่าใครคนอื่นนี่เขาโง่ยังไงบ้างแต่เวลาตัวเองโง่บางนี่ไม่เห็นไปเรียกไปร้องไห้หวังจะให้คนตายก็ฟื้นขึ้นมานี่บังทีมันโงยิ่งกว่าเกี่ยวหญ้าให้วัวตายสะอันนี้ไม่เห็นจนกว่าจะมีคนมาบอก คนเราก็เป็นอย่างนี้แหละคือรู้ว่าใครทำอะไรไม่ดีแต่ว่าพอตัวเองทำบังกลับไม่รู้นี่นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจนะมันจะไม่สอนคนอื่นได้อย่างเดียวแต่ว่าสามารถจากธรรมะมาสอนใจตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะก็ฝากเอาไว้นะเวลาเดินผ่านดอกบัวในสระก็ให้เปิดใจฟังธรรมะจากดอกบัวบ้างพราดอกบัวสอนธรรมะอะไรเรา บางทีดอกบัวสอนทำไม่ได้ดีกว่าอัตมาเสียอีกนะดอกบัวนี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาเราก็ต้องเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นดอกบัวมีดีอะไรหรือถึงมาถวายพระพุทธเจ้าถึงมาเปรียบว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ขอให้เราใจของเราเป็นดอกบัวแต่ไม่ใช่ดอกบัวในน้ำนะต้องเป็นดอกบัวที่พ้นน้ํา ที่กำลังจะบานหรือบานอยู่แล้วก็ยิ่งดีเรื่องเอาเองก็แล้วกันว่าอยากจะเป็นบัวประเภทไหน